ب ل لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي و س ل م على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م د ي ن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وعند تجعل الحزن إذا ش ئ ت سهل اللهم سهل ن ا الأمور و د ب ر لنا فإننا لا نحسن التدبير ว่าจะท عمال ของเราท ا ل อย่างที่ถูกต้อง ل ละจะทำ ج ห้เราเป็นคนที่บริสุท ا ل ์และจะไม่ทำให้ ع ราเป็นคนที่มีความชั่วและ ا ะไม่ท ا ให้เราเป็น ن นที่มีความชวม่ทำใหเราคนะห้มีคาราเป็นคนที่รรมคนในคะเลี คือในยุคที่ไม่มีอิสลามไม่มีศาสนาไม่มีทางนำแห่งฟากฟ้าวิถีชีวิตของผู้คนมันก็จะเป็นไปตามคัลองของอารมณ์และกิเลสไม่มีหลักการมากํากับแล้วมนุษย์ก็จะเป็นแบบนี้เสมอนะถ้าไม่มีหลักการอะไรมากํากับนี่ไม่ต้องไม่ต้องหลักการศาสนานะกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยลองคิดดูซิประกาศ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ไม่ใช้กฎหมายนี่แค่รู้ว่ากล้ององค์จรกล้องกล้องหลอกนะแค่รู้ว่ากล้องหลอกบันไล่เลคือรู้ว่ากล้องนี่กล้องเขาเรียกอะไรกล้องพวกกล้องจราจรเถล้องจราจรเนี่ยว่าว่าเป็นกล้องหลอกไม่ใช่กล้องจริงคนก็ไม่ไม่ไม่มีเออไม่ตามตามอำเภอใจ วิถีชีวิตของคนในยาฮิเลียเนี่ยทุกเรื่องเลยนะก่อนหน้านี้ก็บตรถึงเรื่องประสุสัตจะถวายอะไรจะเชื่ออะไรจะกินอะไรจะจะยกอะไรให้ใครนะจะอุปโลกจะแต่งตั้งใครเป็นพระเจ้าใครเป็นบูดูแลรวมถึงมุมมองเรื่องเรื่องยาฮิเลียที่ไร หลักการศาสนาหรือทางนำจากพระเจ้านะรวมถึงมุมมองของคนในยุคยาฮิเลียต่อบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าจะเคลียน่าจะชัดเจนเช่นพ่อรักลูกชัดเจนพ่อแม่รักลูกชัดเจนคนที่รักลูกเนี่ยฆ่าลูกได้ไม ฆ่าลูกไม่ได้แต่ในยุคใจเอเลียนี่เพราะปัสจัดหลักการนะ ถ, ถาทำไมฆ่าลูกทำไมฆ่าลูกเลยอะ่ะแล้วก็อ้างเหตุอ้างผลด้วยนะนอกจากว่าประสุสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยยังถวายให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์จึงตำหนิและนี่ยังเชื่อฟังชัยตอนในการ บิดเบือนบางอย่างที่มันน่าจะมีเอกฉันนะว่าลูกนี่เป็นนะมะเป็นความปรดปรานที่ Allah ให้มาเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็รักลูกแต่ช่วตอนนี้มันหลอกชาวบ้านในยุคใหญลเรียดได้ไงให้ฆ่าลูกจะได้ไม่จนมันก็ต้องมานั่งคิดว่าแล้วมนุษย์มนุษย์นี่งูขนาดนั้นเลยล ไม่บ้านนะว่าถ้าบ้านในศาสนาก็ไม่เอาโทษแล้วคนคนที่ขาดสติแล้วก็มาฆ่าลูกกันในศะา ส, สนาก็ไม่เอาโทษคือที่จริงเนี่ยศา ส, สนามองว่าพ่อเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ศาสนาเขาเรียกอะไรผู้บังเกิดเก้าใช่ปะผู้ผู้อะไรนะผู้อะไรก้านะใช่ปะผู้บังเกิดเก้านะ แล้วว่าเป็นเป็นต้นตอของการเกิดของเรานใช่แล้วนราการศาสนาอิสลามใครฆ่าใครนี่นะตั้งใจฆ่านะประหารชีวิตยกเว้นถ้าพอ่อฆ่าลูกไม่ประหารชีวิตอ่ามีบทมีเรื่องชดใช้เรื่องอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ประหารชีวิตทําไมอะ่ะเขาบอกว่าก็พ่อเนี่เป็นพ่อแม่นี่เป็นคนที่ให้ลูกเกิด แล้วลูกจะเป็นสาเหตุที่ให้พ่อตายได้ยงไงพ่อแม่นะเป็นสาเหตุที่ให้ลูกเกิดการฆ่าลูกเนี่ยจะเป็นสาเหตุให้พ่อตายได้ยังไงศาสนานี่ให้ให้พ่อแม่นี่มีมีอภิสิทธิ์พิเศษและถ้าพ่อ พ่อแม่ทำอะไรกับลูกกันนะถึงจะไม่มีเหตุผลมันก็ยังถือว่าเป็นเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่ในการที่จะดูแลลูกแต่มนุษย์เนี่ยมาอ้างเหตุผลอะไรที่จะฆ่าลูกและชะตานี่นสามารถสามารถหลอกเด้งไงบอกว่าไม่ไม่ได้ขาดสตินะไม่ได้บ้านะหลอกเด้งไง หลายเหตุผลเดี๋ยวเราจะพูดตอนอธิบายไอย้แต่นี่กินไว้ก่อนว่าสูร้อนี่กำลังพูดถึงเรื่องใหญ่มากว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนความเข้าใจที่มันเที่ยงตรงที่มันเที่ยงธรรมที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยตามธรรมชาตเิเขาคิดกันมันเหมือนะเหมือนเหมือนความร้อนความเย็นอะใครมาจับน้ำแข็งแนละ้วบอกว่าร้อน ใครมาจับไฟแล้วบอกว่าเย็นอันนี้มั น, ม น, มนผิดปกติแล้วอ่ะผิดปกติทุกคนบอกว่าดูแลลูกลูกจะได้ดูแลพ่ออันนี้เชยตอนมาหลอกให้ค้าลูกเดี๋ยวลูกเนี่ยจะทำไม่ยากจนพ่อหายนะพ่อแม่หายน้ค้าลูกทุกคนบอกว่าดูแลลูก สอนจริยธรรมลูกจะได้ไม่จะได้เกิดเป็นคนดีของสังคมแต่นี่บอกค้าลูกเดี๋ยวลูกโตแล้วไม่มีศีลธรรมสร้างความอัปยศกับพ่อข้าไปคนค้าลูกเพื่อเจวิตบูชายันเองเงี้ยสมองของเรานี่นะ ในบางเรื่องไม่น่าจะให้อภัยที่จะคิดต่างกันไม่น่าจะให้อภัยที่จะคิดต่างกันในสังคมของเราบางอย่างนี่ถ้ามีใครคิดต่างกันนี่เราจะมองว่ามั น, มนเป็นเรื่องประหลาดคือเรามองว่าสิ่งที่มันทำร้ายมันเป็นอันตรายต่อชีวิต ของเราของมนุษย์เราอะนะมันต้องหลีกเลี่ยงเห็นคนที่เอายาพิษนี่มามากินนะนะคือเราเรียกว่าเขาฆ่าตัวตายเขาฆ่าตัวตายแต่ถ้าไม่มีกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเยาวชนที่ที่ไปไปไ ป, ไปบ้าข้างละทิอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะละทิสาตารนะบูชาชัยตอนเนี่ยส่งเสือไม่ฆ่าตัวตาย อะไรที่ทำให้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยรักคู่รักของเขาพอคู่คู่รักนี่ทิ้งแล้วอกหักคิดตื่นคิดสั้นว่าชีวิตเขาไม่มีความหมายแล้วแล้วแล้ว้ววเขาจะอยู่ทำไมเขาตายดีกว่า เ, เ, เป็นเหตุผลไหมเป็นเหตุผลของเขาอะนะเป็นเหตุผลของเขา แต่แต่ทําไมถึงสมองแล้วก็ไม่ใช่ไม่ค่นะว่าเป็นบางทีเป็นนักศึกษาบางทีนู่นใครอ่ะไอไออาจารย์มหาอะไรอ่ะจำได้ปะอาจารย์มหาอะไรที่ไปฆ่าเพื่อนใช่ไหมไปฆ่าเพื่อนแล้วก็หนีไปที่บ้านตํารวจตํารวจไปล้อมก่อมจะได้ไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็สุดท้ายไม่ไม่สำเร็จฆ่าตัวตายอาจารย์มหาวิทยาลัยผมจะอยู่ทําไมผมไม่มีประโยชน์แล้วผมไปฆ่าเพื่อนผมไม่อะไรแล้ว ตำรวจก็กอมบอกว่าท่านยังมีโอกาสท่านยังสั่นคิดสั่นอาจารย์มาวิทยาอะไรเฮ้นนในเด็กมัธยมเจอวิกฤตอะไรราคาตัวดามันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลก่นนะในในในสังคมในในสังคมที่อ้างว่าสังคมเป็นสังคมที่จเจริญ่ะ น, นะมนุษย์ที่บรรลุท็อปทอของวิทยาศาสตร์ปัจชา สถาบันการศึกษาเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยติดอันดับสองของโลกในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาแต่ปรากฏว่าติดอันดับเหมือนกันติดอันดับโลกในในการนักศึกษาที่ขาดตัวด้นักศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชาวบ้านไม่ชาวนาไม่ใช่ชาวเกษตรนะนักศึกษาพวกมนรุ่งเงินเดือนตรงจบสูง ระดับฝ่ายบริหารบริษัทที่เจ๊งที่อะไรแบบนี้นักการเมืองที่ประสบวิกฤตถูกฟ้องถูกดำเนินคดีทุจริตอย่างเงี้ยสั้นมากเลยขาดตัวตายอะไรที่ทำให้มนุษย์เหล่านี้เนี่ยโดนหลอกง่ายๆจากเชือตอนมันก็ให้เห็นนะครับว่าเรื่องบางเรื่องนะให้อภัยกันไม่น่าจะให้อภัยนะ ในการคิดต่างกันถ้าบางเรื่องเนี่ยไม่น่าจะตาหนิในการคิดต่างกันในสังคมเรามองว่ า, าจะ ก, กาหนดภาษีไม่กาหนดจะเพิ่มไม่เพิ่มอันนี้ไม่น่าจะเกิดสงครามนะในสังคมคนนี้จะเป็นนายกหรือคนนั้นจะเป็นนายกอันนี้ไม่น่าจะทำให้ประเชาติเนี่ย แยกกันเป็นสองซีกเลยนะแต่อะไรที่ทำให้ประชากรเนี่ยเสียชีวิตปีละห0ร้อกว่าคนทุกสถานการณ์ทุกเทศกา์เล่าอะไรสุราต้องไม่ซับซ้อนลนะ เพระอะไรเพรเรื่องเล่านี่เ ด, ดืเข้าใจว่านินทามันินทานินทาทำให้คนตายนะเรื่องนินทาเสียแล้วทําให้คนตายเหมือนกันนะหตายกันตายกันเป็นแถวเลยเรื่องเรื่องเล้าเรื่องสุราใช่ไหมตายกันอันนี้ที่ตายตามพิศการนะไม่ได้นับที่ตายตายตามโรงพยาบาล น, นะตามโรงพยาบาลไม่นับที่ที่ตายในระยะยาว หมายถึงว่าดื่มยังไม่ตายนะแต่จะตายเพราะมันเป็นเสสรดีไงว่าที่ตายเพราะบุหรี่ตายเพราะเหล้าตายเพราะไม่นับที่ตายเพราะโรคที่รุนแรงสืบเนื่องจากเหล้าเช่นมะเร็งซึ่งมะเร็งนี่ชาวมะเร็งเดี๋ยวนี้เป็นประชากรใหญ่นะครับในโลกนี้เป็นประชากร คนที่ตายเพราะมะเร็งเนี่ยประทศไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งะเป็นโรคติดอันดับหนึ่งของคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งสารพัดนะมะเร็งเต่านมมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งลำคอมะเร็งฝีปากมะเร็งเหงือกและทั้งหมดนี้ของอะไรมาจากอะไรอะบุรีเหล้ามะเร็งตับนี่เหล้ามะเร็งลำไส้เหล้า แล้วแนี้งานวุฒิใจต่างๆก็ควรการไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งอบายมุกไอสิ่งสิ่งมืนเมาต่างๆเนี่ยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเพราะเมื่ามันไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องวิจัยอะไรยากๆกันนะอไม่ต้องวิจัยอะไรยากยากกัน คนที่สูบบุหรี่และกินเหล้านี่ก็ล้วนเอาของเสียนี่มาใส่ของเสียของบุญน่ะเหล้านี่คือของบุญบุหรี่นี่ก็ของที่มันพืชพืชที่มันเสียไปแล้วอ่ะใบไม้เนี่ยเวลามันแห้งแล้วเราทำอะไรทิ้งขยะขยะใช่ปะ แล้วบุรีคืออะไรก็ น, นี่แหละก็คือใบใบที่มันแห้งแล้วแล้วก็มาแต่เช้าตอนประสบความสำเร็จในการที่จะหลอกลวงมันเป็นหน้าที่ของมนุษยชาตินะั่นที่ต้องหาเหตุผลใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆที่จะปรับทัศนคติปรับปรุงสติปัญญาของตัวเอง เพิ่มพูนศักยภาพของสมองและหัวใจไม่ให้โดนหลอกง่ายๆในเรื่องที่แบบที่ไม่น่าให้อภัยอ่ะปรากฏว่าการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์นี่มันช่วยไม่ได้แต่แต่เรื่องที่มันช่วยได้ที่ทำให้มนุษีใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพคือคือศึกษาคำสั่งสอนของพระเจ้าเพราะมันเป็นคำสั่งสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ที่พระองค์วางระบบไว้ในโลกแล้วระบบในโลกนี่มันสอดคล้องกันหลักการศาสนาก็สอดคล้องกับธรรมชาติพอเอาหลักการศาสนานี่เราก็จะไปตามธรรมชาติที่ดีงามที่พระเจ้านี่สร้างไว้พอฝื้นหลักการศาสนานี่มันก็เหมือนก็บฝืนกับธรรมชาติแล้ววิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าไอ้ฟื้นธรรมชาตินี่แหละที่มันทําให้โลกเนี่ยปั่นป่วนทั้งสิน้น ชตอนนี้คงได้ประสบความสำเร็จในการหลอกลวงในการสร้างภาพให้เราเชื่อหรือเข้าใจว่าสิ่งที่มันดีงามสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่ประสบความสำเร็จในการที่จะประดับประดาให้อะไรบางอย่างที่เราเข้าใจว่ามันไม่ดีนะโอ้มันดีเข้าใจว่าเรื่องอะไรที่มันดีนะโอ้มันไม่ดี อะไรอ่ะมันไม่มีไม่มีสูตรตายตัวนะที่เชตตอนจะใช้กับพวกเราทุกคนตั้งแต่นบีอาดัมนี่อย่างนบีอาดัมมันนะเชตตอนหลอกนบีอาดัมยังไงวะกาซะมะฮุมาอินนีละกุมาละมินันนอสีฮิดขอสาบานด้วยพระนามขอลลอฮ์นี่ว่าฉันนี่นะนอสีฮันกินกินจากต้นไม้นี่ดีที่สุดขอสาบานว่าฉันพูดจริงนบีอาดัมบริสุทธ์ ใครจะกล้าสาบานด้วยพระนามอาลัลลอเทิดดนหลอกด้วยคำสาบานเดี๋ยวนี้ล่ะถ้าใครจะมาสาบานสาบานยันเกียมัดหนิกูไม่เชื่อหรอกเั <c oughs> ้ต้องหลอกมีวิธีอื่นที่จะหลอกมันไม่มีสูตรตายตัวแล้วก็คนเราแต่และคนนี่นะโครงสร้างชีวิตของเขาเนี่ย คนที่จะรู้มากที่สุดเนี่ยก็คือเชตตอนดูโชคกรีนกรีนที่อยู่กับเราแล้วก็คอยกระซิบมาเนะีมันรู้ว่าเราเกิดยังไงจุดอ่อนของเราอย่งไรอ่ะอะไรที่สกิดนิดนึงแล้วก็ล่วงเลยคนเนี้ยสกิดล่วงเลยคนนี้เนี่ยจะตีแค่ไหนเนี่ยมันไม่กระตือ้อไม่ไม่ไปกรีนนี่มันรู้วิธีไอ พวกนักจิตวิทยาที่เขารักษาทางจิตเวทน่ะนะเขาก็อาศัยนี่แหละต้องซักประวัติแล้วก็รู้รู้จุดอ่อนจุดแข็งรู้ประวัติเขาจะได้รู้ว่าจะแก้ตรงไหนกอรีนี่ในภาพมัก า, ากนักจิตวิทยาเน ก, ก็ต้องนั่งถามเขาบางทีนั่งเป็นชั่วโมงนะเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยนะกว่าจะรักษาได้กรีนี่ต้องมานั่งซักไหม กรีนมันรู้เนี่ยว่าเราประทานโทษ น, นะมันรู้ว่าเราเฉียยังไงกรีนเนี่ยนะนะมันรู้นี่ยว่าเราชอบกินอะไรดูสิกรีนเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่ได้หลอกเราบางทีเนี่ยเราเสียชีวิตไปแล้วกอรีนอล่อยยังไม่ประสงค์ที่จะเสียชีวิตนะนะมันยังไปหลอกคนอื่นด้วยมาอ้างว่าเป็นผีมันยินน่ น, นะมันยังไม่ผีผีคือวิญญาณวิญญาณหองนที่ตาย อภิสูจน์หน่อยดิเมียคนเดียวที่รู้ใช่ไหมว่าคนนี้เนี่ยชอบกินกาแฟเจ็ดโมงเช้าคนเดียวเมียก็ถามเอาไหนบอกดิเขาชอบกินกินอะไรชอบกินกาแฟเจ็ดโมงเช้าเ อ, อใช่เลยนี่ใช่เลยนี่แหละสามีฉันเลยเสร็จเขาแล้วหละ่ะและ้วกนนีทั้งโลกเลยนะทั้งโลกเลยเชื่อเรื่องเนี้ยเรื่องวิญญาเรื่องผีเ่ง อกวอันเชิญวิญญาณของบรรดากษัต ร, ริย์ของบรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ <c oughs> เชื่อหลงเชื่อกันนะนคุณอ่านให้ความกระจา่างเกมที่เชยตอนกันลังเล่นกันเราอ่ะนะัุ้ณอ่านนี่ได้เผยให้เราได้รับรู้อย่างชัดเจนเลยะเรามาอ่านคุณอ่านแล้วก็ดูว่ามันสอดคล้องกับอุบายของเชยตอนในรุ่นนี้ไหมในยุคนี้ไหม หรือมันจะเป็นมันจะเป็นแผนแผนโบราณอย่างที่ตอก่อนนู้นน่ะถวายสัตว์เชื่อสัตว์บนแท่นให้จวเจวต ร, รูปแบบนี้รูปแบบเดียวที่เป็นชิริกหรือมันจะมีรูปแบบอื่นการหลอกลวงมนุษย์ให้ทำบาวให้ทำความผิดเนี่ยมันมีรูปแบบเดิมๆหรือจะมีรูปแบบอื่นเอาสุวิไลฮิมินาชอตานอโรจีมวะกะซาลิกะ زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولوشاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وكذلك แล้ م แองนั่นแหละทำนองอะไรอะที่หลอกให้เราได้เรานี่คือพวกมนุษย์ยุคจ اهل ิยะที่เป็นมุสินะ ลอกให้ถวายสัตว e uh um ์ที่อัลลอ์สร้างแด่พากีหรือเจวิตต่างๆที่ไม่ได้เป็นผู้สร้างในทานองนี้แหละที่สามารถหลอกลวงมนุษย์ให้บูชาเจวิแล้วไม่ให้เอกภาพในการเคารพสักการะแด่พระมิญญาเนี่ยประสบความสมเร็จได้ในทานองนี้นะ Sayana ل ี ث ي ر من ا ل م س ل م ي شركه บรรดาภากีของพวกเขานั้นภากีนี้ก็คือจเจวิตใช่ไหมจเจวิตเปนพูดเหรอพี่น้องคิดว่าพวกไอ้พวกมุชริกีเนี่ยเขาคงงโง่ถึงขั้นที่จะเชื่อว่า ไมกก้ก้อนหนึ่งหินก้อนหนึ่งโลหะก้อนหนึ่งมันจะเป็นพระเจ้ากำกับทุกอย่างในชีวิตของเราง่ายๆอย่างเงี้ยเขาจะโดนหลอกง่ายๆอย่างเงี้ยหรือมันต้องมีต้องมีอะไรพิสดารอะอะไรที่มันแปลกๆหน่อยสหามาบอกว่าจเจวิตทุกจเจวิตเนี่ย สมัยยาเฮเลียนี่นะจะมีชัยตอนเฝ้าอยู่นี่ไปดูสิที่ประเทศอียบ น, นะนิกคริสต์นิกายคาทอลิก ก, กับอโอโทโดอกส์เจวิตเขาเยอะรูปปั้นรูปภาพอะไรในบเนี่ยโปรเตสแตนต์เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมี ไม่ไม่มีไม่ใชไม่ไม่ไ ม, ม, ม, มีของเขานี่ไม่กังเขนอย่างเดียวแต่ของคาทอลิกกับออรโ์โธดอกซ์ไม่กังเขนแล้วก็จะมีพระเยซูมีมารีมาริย์มานะอะอะไรเงี้ยเยอะที่พระนออร์โธดอกซ์นี่แหะรูปปั้นของมารีของมาริย์มานี่ดูดิทุกวันฉลอง ของวันเกิดของพระเยซูเนี่ยรูปปั้นของของมารีมเนี่ยก็จะมีน้ำตาเป็นเลือดไหลแล้วคนชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยไม่หลงหรอไม่หลงเชื่อหรอท ำ, ทำไมเดี๋ยวนี้นี่เราได้ยินน่ะได้ยินนะคนที่ไปโ ต, ตะเกียนี่นับถือทำไมอะ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ มันมีเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องสุรานะแต่ดูแล้วนี่เรื่องบางเรื่องนี่เรื่องเล่านี่นะมันก็คือเรื่องเล่าจริงๆมันคือเรื่องมึนเมาจริงๆเขาก็าอย่างนี้คือโตอตะเกียนี่กับพระรูปหนึ่งทากันใครเนี่ยศา ส, สนาใครเนี่ยเจ๋อกว่านะ เขาบว่าก็ต้องแสดงอภินิหารดิต้องแสดงมโหสารพาก็บอกว่าอฮ้ยคยดูเขา อ, อยู่ฝั่งนี้แล้วก็แม่น้ำเจยาย้าพญาฮะเราค่อยดูเขาจะเดินบนน้ําให้พาก็เดินบนน้ำเฉยเลยเ้าก็เดินบนน้ําเสร็จแล้วอะนะปรากฏว่าโตตะเกียด น, นี้ไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนเขาอภินิหารแบบนี้เนี่ยทำไม ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหพอเล่าทุกทีเนึ่ยก็ทั้งน้าตาไหลทั้งหัว ท, ท้องแต่แต่ชาวบ้านก็เชื่อนะเล่ากันเล่าเรื่องกันเรื่อยเนี่ยแล้วไม่ใช่ทั่วโลกเนเรื่องเรื่องการมาตัวลีน่ะนะไอ <c oughs> ของเรื่อยเปื่อยที่มันมันพิสูจน์ไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ย <c oughs> ปัญญาชนเนี่ยเขาก็อย่าว่าจะเชื่อนะคือไม่รับฟัง ตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเราต้องเคารพสติปัญญานะแต่ของแบบนี้เนี่ยมันยังถูกเอาเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงในการสร้างภาพแล้วจะให้ชาวบ้านไม่หลงเหรอบูชานูนบูชานี่เนี่ยเพราะอะไรเพราะไอ้มอจิสารอุปโลกแบบนี้แบบนแน้นอน เฉวดีนี่มันก็จะมีสาบาเขาบอกเขาเรามันก็จะมีเชตตอนคอยเฝ้าแล้วก็คอยแสดงละครพูดบ้างสงมีซิกบ้างมีไฟบ้างเพราะคนน้อยเห็นเป้่าที่ฉันเห็นไอ้คนคนหนึ่งเออ ส, ส, สวาวจะใช่อนะอาจจะเห็นเนคนละอย่างก็ได้อ่ะนะ ไอ้คนนี้เห็นหนูคนนี้เห็นแมวอะไรอย่างเงี้เห็นป่าเออใช่เห็นไหมนี่มันใช่แล้วแบบนี้แล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่สาบ้านเนี่ยตอนที่นบีพิชิตมักะแล้วก็ส่งสหบ้านนี่ไปทำลายเจวิตทั่วคาบสมุทรอาหรับมานะทุกครั้งที่ไปทำลายเจวิตเนี่ยก็จะเห็นมีผู้หญิงตัวหนึ่ง ออกมาผมยุ่งใส่ชุดดำออกมานี่มัตโกนแล้วก็หายซาบารุเนี่ยก็คือชัยตอนที่เฝ้าจเจวิตอยู่คือหมดหมดเลยไม่ไม่เหลือเลยไม่มีไม่มีอนาคตหละเชตตอนเดบีบอกหลังจากที่ได้พีชิตมักกะแล้าเนี่ยแล้วก็ยิ้มเสียเชตตอนที่เฝ้าเจวิตอยู่ ในคาบสมุทรอารับเนี่ยโดยโดยรวมโดยส่วนมากเนี่ยชัยตอนเนี่ยสิ้นหวังแล้วที่จะมีใครบูชามันอา้าวแสดงว่าไอ้คนที่ไปบูชาจเจวิตเนี่ยที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้บูชาจเจวิตแต่เขาบูชาใครก็ชัยตอนที่เฝ้าอยู่ไงเวลามาสุญุดให้จเจวิตนี่นะชัยตอนก็ม า, มานั่งมานั่งบนจเจวิตเออสุญูดในชั้นน่ยนบีก็เลยเล่าเรื่องจริงไง ชัตอนนีสิ้นหวังแล้วที่จะมีใครมาบูชามัน ولكن في التحريش นะ ن ุมแต่ยังไม่สิ้นหวังที่จะยุบแย่สร้างความแตกแยกซึ่งกันและกันอันนี้เนี่ยยอมรับประสบความสำเร็จทุกยุคทุกสมัยเลยทุกครอบครัวเลยเรื่องความแตกแยกชุรกาอูหุมแสดงว่าพากี้ของเขาก็คือพวกชัตอน แต่ a l ล a h เรียกภากีเนี่ยก็คือพวกจเจวิเนี่ยอันเนื่องจากว่าสมัยจาหีเลเนี่ยเขาเขาแยกไม่ออกหรือเขามองไม่เห็นชัยตอนที่อยู่ในจเจวิตหรือชัยตอนที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงเท่ากับอัลลอฮ์กำลังบอกกับพวกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีริกที่เป็นการฝา่าฝืนนี่นะเบื้องหลังของมันนี่คือชัยตอน มันมีอิทธิพลเขาึะบอกว่าเจวิตที่มันเป็นไม้เป็นโลหะเป็นเป็นหินเป็นเป็นอะไรต่อไม่อะไรที่มันมันพูดไปได้มันไม่มีปัญญามันไม่มีชีวิตเนี่ยทามันหลอกได้ไงอะ่ะเราก็อย่าแปลกใจนะครับในปัจจุบันนี้นี่นะมันก็จะมีเจวิตต่างๆที่มันเป็นวัตถุแต่มันสามารถหลอกลวงคนทั่วโลก เช่นธนบัตรสตังค์สตังค์งนี่มีที่ผลไหมสตังค์นี่มันบอกว่าไปขวาไปขวาไปซ้ายไปซ้ายได้ไหมถ้าโต๊ะคูถ้ า, ถานายกถ้าคนใหญ่คนโตนี่สั่งในสังคมขวาซ้ายเนี่ยคนฟังไหมบางคนก็ส่วนมากก็อาจจะไม่ฟังแต่ธนบัตรล่นะ ผมอันไม่มีไม่มีใบขับขี่แต่มีใบแดงใบม่วงฮะสำคัญกว่าใบขับขี่เพราะก็เทนบัตเนี่ยมันสามารถทำลายเขื่อนได้คนเราเนี่ยต้องเอาลูกระเบิดนี่มาทำลายเขื่อนนะเออมันเป็นเรื่องเล่านะเล่าอีกแล้ว เขื่อนแถวบ้านผมมันนะแถวบางกอกน้อยคือมันมีแนวของเขื่อนเขื่อนนี่เขื่อนเอนแม่น้ํานี่แหละนะมันมีแนวของมันอะทั้งที่แนวเขื่อนเนี่ยมันพบเพราะคนในคลองอะนะคนในแม่น้ําเนี่ยเขาสร้างบ้านสร้างบ้านริมแม่น้ำริมริมคลองใช่ไหมแล้วก็ตัวของนุ่นมันไม่มีขอบเขนไม่มีอะไรเลยเขาก็ลําบางไม่ลําบ้าง ก็จะสังเกตนะแต่แต่แับนอกรกันนะอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแต่ก่อนนั้นน่ะคนเขามันอยู่บนบกนะเขาอยู่บนแพแพแล้วก็เก็บปลาเก็บกุ้งฮะแล้วก็ไปด้วยเลยแล้วก็นึกจะจอดอ่าเอาแพรนี่มาจอดแล้วปลูกข้าวหน่อยได้ข้าวเสร็จแล้วอยงอย่างเงี้ยทีนี้พอมันเจริญแล้วอะนะแพรเนี่ยมันก็กลายเป็นบ้าน มันก็เลยซิกแซกแบบนี้พอจะมาสร้างเขื่อนน่ะนะบ้านนี่มันก็ที่เขื่อนเนี่ยทั่วโลกกันนะเขื่อนของแม่น้าคลองนี่มันก็จะต้องตรงกันนะใช่ปะ่ะดูแสนแสบพอแสนแสบนี่มันตั้งแต่เริ่มต้นจนจน น, นสุดนี่นะคือทำตอนยังไม่มีคนเลยอยเป็นป่าใช่ไหมเขาก็แสนแสบนี่มันก็ตรงเลยใช่ยกเว้นบางบางจุดนี่นะพอเขาทำเขื่อนใหม่ ปรากฏว่าพอมาสร้างเขืนแล้วนะก็ตามแนวนี่ตามแบบมันก็สร้างมันตรงเนี้ยเขาก็เอาไอ้ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะที่จะตอกตอกเข็มเขื่อนนะงบ ป, ประมาณเป็นล้านนะแล้วก็แบบนี่มันก็ผ่านแล้วผ่านไอ้สภาเตขตคอรมอมทุกอย่างแนละ้วงบ ป, ประมาณกําหนดแล้ว แต่ปรากว่าผู้รับเหมานี่เวลาเข้ามาสร้างอะนะมีคนเขาเอาเขาเอาแบงสีม่วงอ่ะเขาเขาทำเขืนอย่างเงี้ยคืนมันก็เลยออกไปหลบบ้านเลยอะเราะก็ไม่ต้องไปใช้ระเบิดอะไรมารือ้อเือนนะไม่เอ า, เอ า, เ, อาเอาใบสีม่วงนี่ทำอย่างเงี้ยคืนนั้นนี่จะตรงอย่างเงี้มันก็เลยอ้อมมีอิทธิพลของ นาบาัตเทนนบัตนี่มีชีวิตปะมีชีวิตไหมไม่มีชีวิตมันก็ไม่แปลกอะว่าไอต้ตะกอนนู้นอ ะ, ะเจวิตนี่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์ได้ไงเนี่ยเราบอกว่าชูรกาอุนพากี้คงเข้านี่แหละแต่ที่จริงเนี่ยจุดอ่อนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเจวิตนะฟังให้ดี และในทานองนั้นแหละบรรดาพากีของพวกเขาเวิตที่มีชะตอนอยู่เบื้องหลังนะนั้นได้ทำให้สวยงามไัยะนะได้ทำให้สวยงามแก่จำนวนมากมายในหมู่มุชริกีนทำให้สวยงามซึ่งอะไรครับซึ่งการฆ่าลูกลูกของพวกเขาการฆ่าลูกลูกซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่น่ากเกลียดย่างยิ่ง แล้วอรบส่วนมากก็ไม่ได้ค่าลูกนะอรับส่วนมากเนี่ยไม่ได้ค่าลูกมันเป็นบางเผ่าเท่านั้นและบางกลุ่มเท่านั้นกลุ่มเนื่องจากคนรวยและกลุ่มเนื่องจากคนจนคนจนในที่อ้างเหตุผลว่าถ้ามีลูกช่วงนี้อะนะเดี๋ยวฉันจะจนอย่างนั้นค่าไปก่อนอันนี้ทั้งชายและหญิงค่าทั้งชายและหญิง ไม่ไหวจะเลี้ยงค่ะคนรวยอยากได้ลูกผู้ชายอย่างเดียวทำไมจะได้มีบารมีผู้ชายเกิดมาเป็นนักรบช่วยเรื่องกเกษตรเรื่องอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอ่ะถ้าเกิดผู้หญิงอ่อนแอแล้วถ้าหากว่าโตแล้วผู้หญิงโตแล้วสวยแล้วก็ถูกคมขืนหรือมีใครเอาไปทำดีนาโอยแล้วมันจะเป็นอัปยศ ชื่อเสียงของเผ่านี่มันพอเกิดลูกผู้หญิงเนี่ยฉันตัดบดไปเลยไม่เอามาผู้หญิงไม่เอามาันรู้คนรวยยิดแบบนี้ไม่พ้นนะทั้งจนแล้วก็รวยถูกหลอกหลงกลเชยตอนนะ่ะให้ค่าลูกเซียนอนะมีลูกแล้วจะจนสูตรนี้ถูกใช้ตั้งแต่นู้นนะถึงปัจจุบันมีลูกแล้วจะจน สประเทศประเทศตุรกีและประเทศอียิปต์ประชากรเท่ากันซะยปคนของอียิปต์นีอาจจะดีกว่าตุรกีด้ซ้าไปตุรกีก็ประมาณ90้าิล้านอียิปต์ก็ประมาณ90สล้านแต่ตุรกีออกกฎหมายนะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีลูกนะ ได้รางวัลได้เบีย้ยสนับสนุนประมาณ500ดอลได้ลูกได้ตังค์แต่อีบซีซีออกมาพูดทุกครั้งเลยบอกว่าการพัฒนาประเทศชาติจะไม่สำฤทธิ์ผลต่อเมื่ออัตราเติบโตของประชากรเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะเรื่องสวัสดิการเรื่องให้เบีย้ยเรื่องให้รางวัลอะไรน ไม่มีเลยไม่มีเลยประเทศหนึ่งเห็นว่าการเติบโตของประชากรเนี่ยการมีประชากรมากมา ย, น, ยนะมันเป็นจุดแข็งอีกประเทศหนึ่งมองว่ามันเป็นจุดอ่อนเหมือนเลยเรายิ่งเยอะเดี๋ยวเรายิ่งจนทำยังไงอะ่ะก็ต้องก็ต้องลดต้องควบคุมกำเนิดใช่ไยังไง จีนเนี่ยคุมกำเนิดเนี่ยตั้งแต่คอมมิวนิสต์ใช่ไหคุมคุมกำเนิดเจ็ดสิบปีแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ยังไงเปลี่ยนแล้วนโยบายเนี่ยเดี๋ยวนี้เราให้รางวัลแล้วลูกคนเดียวไม่พอทําไมอะ่ะพอคนจีนคนไม่น่าเชื่อนะครับประชากรจีนเนี่ยเราตั้งแต่เกิดนะรู้กันนะว่าปร ะ, ประชากรจีนเนี่ยคือเยอะที่สุดในโลกใช่ปะ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยจีนเนี่ยนะ ขาดแรงงานไม่มีคนทํางานต้องจ้างคนล่าสุดเนี่ยอาชีพที่พอกว่าจีนเนี่ยต้องจ้างคนจากจก ต, ต่างประเทศแต่นะนั ก, ก, นน ก, กขับเครื่องบินนักขับขับเครื่องบินคนจีนไม่พอไม่พอคือเขาก็ไม่ดีขาดนเะรื่องความฉลาดในคนจีนนะเขาบกากไม่พอจริง mm hmm. แล้วตอนนี้เปลี่ยนนโยบายละ เอาค่าลูกเพราะจนอันนั้นในในยุค ก, ก่อนเนี่ยเขาอาจจะจินตนาการว่าฉันนี่ก็ปลูกข้าวแค่นี้ปลูกผักแค่นี้เลี้ยงแพะแค่นี้เลี้ยงอูดแค่นี้ฉันมีอาหารแค่นี้ถ้าฉันมีลูกโอ้ยแล้วฉันจะเลี้ยงยังไงเขาอาจจะคิดแค่นี้ใช่ป่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนในปัจจุบันขเขาก็ไม่คิดแบบนี้อนะน ปูข้าวบ่กไม่ใช่นะฉันมีเงินเดินแค่นี้ถ้าฉันมีลูกต้องส่งโรงเรียนต้องมีค่าเล่าเรียนมีค่าอาหารค่าโอ้ยฉันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมรูปแบบใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอันเป็นการประดับประดาให้ค่าลูกกันนะของเชตนน่ะน ะ, อนอะนะมันก็มีใหม่มาเรื่อย แต่งงานตอนนี้เป็นแฟชั่นแล้วนะแต่งงานมีลูกไหมยังไม่พร้อมทำไมอย่างเงินเดือนอยังน้อยอันนี้อันนี้เหตุผลนี่มีเยอะแล้วแต่มีมาใหมแต่งงานใหม่ๆเนี่ยก็ยังใหมรุ่นยังยังหนุ่มสาวกันใช่ป่ะมีลูกไหมอฮ๊ยเสียทรงหมด อันนี้เริ่มมีแล้วในในสังคมมุสลิ ม, มเริ่มมีและเสียทรงพอจะท้องแล้วเดอ้วนถ้ามีลูกเดีเราไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้มีลูกต้องอุ้มลูกลูกอะไรโน่ปวดหัวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้ไอ้พร้อมอันนี้คือค่าลูกไหม คุมกําเนิดโดยไม่มีเหตุผลนะคุมกําเนิดโดยสฮาว่านี่เขาบอกตั้งแต่สมัยนบีอัลมาอูดะตุสุฮราการฝังฝังผู้หญิงขนาดเล็กตะก่อนนุ้นน่ะเขาก็จะฝังผู้หญิงผมแก้เรื่องนึงนะครับเคยเล่ามาหลายครั้งแล้วว่ามรดมน์ข้าวตอมเนี่ยฆ่าลูกฝังลูกใช่ป่ะพระกวบดว่าสงยรายงานของเหตุการณ์เนี่ยมันดอยฟ์มาก อุลมามะบางท่านบอกว่าเป็นไปนไม่ได้ที่องค์มต้องเนี่ยจะกระทําสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็บอกพี่น้องให้ทราบนะครับว่าเรื่องนี้มันมีปัญหาเรื่องสเสรี ง, งานแต่คนอื่นเนี่ยมีในในสมัยอาหรับยุย่ยังไงเรื่อมีคือฝังลูกเป็นๆสภาวะก็บอกคนที่คุมกําเนิดซึ่งการคุมกําเนิดสมัยซาร์บาเนี่ยก็มี ย, ยากนะ็คือหมายถึงว่าไม่หลังไม่หลังใน หลังข้างนอกนั่นหมายรวมว่ามีการคุมกำเนิดตั้งแต่สมัยซาบาเขาก็ถือว่าอัลมาอูดัตุสุหรอเป็นการฝังลูกเป็นๆนขนาดเล็กแล้วคุมกำเนิดไม่มีเหตุผลอะไรเลยหรือเป็นเหตุผลอะไรที่มันเลอะเทอะอย่างเงี้ยไม่อยากจะมีลูกก็ต้องกินยาคุมกำเนิดเพราะอะไรจะได้ไม่เสียทรง ไปฟิตเนสมาสามสี่ปีแล้วอยู่ลงทุนเป็นแสนแล้วเนี่ยจะได้หุ่นแบบนี้ท้องปีนึงอ่ะพังหมดสิเอาไว้ก่อนพออะไรเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ก็บเบอเบอร์เอเบอร์อมถ้าท้องแล้วเนี่ยโอ้อ้วนแล้วเนี่ยมันก็ต้องแล้วก็มีคนที่เขา เ, ข า, เ, ข า, เขาคิดไกลกว่านั้นน่ะ ไม่แต่งงานเลยไม่แต่งงานเลยทําไมอะ่ะไม่อยากมีลูกมีมพราะแต่งงานต้องมีลูกไงไม่อยากแต่งงานเลยทําไมอะเพราะมีลูกแล้วแต่ไม่อยากมีลูกอะ่ะแคเห็นนะคนที่มีลูกนี่มีแต่บวดหัวอ้าวมนันเป็นเหตุผลเหตุผลย่อมๆนะเหตุผลเพราะน่ารักน่ารักกันนะแจกสมัยใจเฮเลยียานี่นะเออมัน มันวุ่นวายฉันไม่อยากจะวุ่นวายแบบฟรีๆสบายๆอยู่สบายๆแสดงว่าการสร้างความประดับประดาได้ทำให้สวยงามประดับประดาเหตุผลแก่จำนวนมากมายลิกซีรินมินามุชริกีนในบรรดามุชริกินคอนเซปต์นี้ก็คือเขาต้องเป็นคนที่ตั้งภากีถึงจะโดนหลงให้หลงขนาดนั้น จำนวนมากที่ตั้งพากีกนั้นก็จะหลงแบบนี้เพราะทำให้สวยงามซึ่งการฆ่าลูกๆของพวกเขาไม่ต้องพูดเลยนะลูกแท้ๆเนี่ยยอมฆ่าเนี่ยเพราะถูกทำให้สวยงามซึ่งเหตุผลในการฆ่าลูกนะยังทำได้แล้วภาษาเลยกับเรื่องอื่นละ่ะเล่านี่มันเปรี้ยวมันเหม็นเอ้ยมันดีนะคือฆ่าลูกเนี่ยมันทาได้แล้วอะ กินเหล้าจะไม่ได้อะสูบุหรีที่ที่รู้ว่ามันอันตรายจะไม่ได้อะทำซีนาทำร้ายคนอื่นน่ะจะไม่ได้ขโมยเงินคนอื่นอ่ะบาปใหญ่ทั้งหลายจะไม่ทำาหรอแล้ทั้งหมดเนี่ยเชตตอนก็สามารถที่จะมาให้มันสวยงามดูมีเหตุมีผลตลกที่สุดนี่นะครับบ้านเราอาชญากรรม เกือบทุกอาชีพกรรมที่ผมได้ฟังนะครับทีวีหรืออ่านหนังสือพิมพ์อ่ะฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นทุบตีภรรยาทุบตีลูกอะไรเนี่ยฮะคนที่ถูกจับเนี่ยนะอ า, อาชีพกรนี่ก็จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะอยู่เพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของเหล่าสุรามันกลายเป็นเหตุผล น, นะคือเขาไม่ตั้งใจ ตั้งใจกินเล้าแต่ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเมาแล้วก็มีคดีอันหนึ่งผมเคยเล่าให้น้องฟังว่าคดีอันหนึ่งก็คือเขาฆ่าจริงสามีหรือภรรยานี่ยฆ่าสามีฆ่าภรรยาหรือภรรยาฆ่าสผมลืมนะฆ่าแล้วก็สับศพเลยนะสั บ, สบใส่ถุงแล้วปรากฏว่าสารนี่ยกฟ้องเหตุผล ไม่ตั้งใจหมายเขาไม่บอกว่าเมาดิคือถ้าคือถ้าเมาเนี่ยผมมวกวิพักาษานี่แหละเมาคือถ้าเขาเขียนต้งลงนอนะเขาไม่เขียนไม่กล้าเขียนเขาก็ไม่ตั้งใจและที่ไม่ตั้งใจนี่เพราะอะไรเพราะเมาเขาบอกว่าประวัตินี่บ่งบ่งชัดว่าเขารักกันส่ยหุ้นเขารักกันมากเป็นเป็นไม่ได้ที่จะฆ่าเขาต้อไปฆ่ า, าล่ะเพราะเมาไง เธอนั่นเขไม่ตั้งใจไงชกฟองอาเชรกรรมดังมากตอนนั้นนะเราคนก็ตะลึงกันทั้งประเทศอ่ะมันมีรายการอันหนึ่งจะห ย, ยิบพวกคดีเนี่ยคดีที่แบบว่าเกินคาดนอะ่ะไม่น่าจะพิพากษาแบบนี้แต่ปรากฏว่าพิพากษาแบบนี้แล้วก็มามาม า, มาให้เหตุผลของของคณะพิพากษานี่ว่าเออเธอบ้านเราอยู่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกมากนะครับว่า สุราที่มันเป็นเหตุผลในความเสียหายมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเหตุผลในการให้อภัยกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเมาละครับเมาละวขับคือไม่มีการพูดถึงว่าเขาถ้าเมา มีเพลงอยู่อันนึงอะนะเปิดบ่อยนี่คือคือคือเมาเนี่ไม่ว่าแต่อย่าขับคือตะกะนี่มันปร ะ, ประลาดมากเลยอะไม่ว่าที่คือดื่มเหล้าแล้วก็เมาเนี่ยนะอันนี้ไม่ว่าเม า, ววเมาได้แสดงว่าเมาได้ดื่มเหล้าได้เมาได้แต่อย่าขับเอาแล้วก็ถ้าเมาแล้วขับนะแล้วก็ชนคนอื่นแล้วตาย ความผิดนี่คืออะไรตามกฎหมายนะตามกฎหมายนะความผิดนี่คืออะไรเมาและขับไม่ใช่เมานะเมาแล้วขับเออทำไมอะ่ะคือคือมันเมากันทั้งประเทศครับพี่ต๋องถ้าเขาบอกว่าที่เขาปิดนี่เพราะเมาไม่ถ้าเขาบอกว่า ท, าาาาาาที่ที่ ชนคนตายเนี่เพราะอะไรเพราะเมาอย่างเดียวนะนะมันก็ผิดกันทั้งประเทศเลยอะ่ะเพราะทั้งประเทศนี่เขาเมากันทั้งประเทศแต่เขาไม่ใช่คํานี้เลยนะที่ชนเขาเนี่ยไม่ได้ผิดเพราะเมาผิดในเพราะเมาแล้วครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องประดับประดาอะไรนะทําให้สวยงามาทําให้สวยงาม เรื่องอะไรเรื่องอาชญกรรมเรื่องความบิดต่างๆเช่นการฆ่าลูกลูกของพวกเขาแล้วทำไมอาชีตอนเนี่ยที่จะทําให้สวยงามการฆ่าลูกเนี่ยเพื่อที่จะทําลายพวกเขาเลียวดูมแน่นอนครอบครัวฆ่าลูกกันนะอะไรจะเกิดขึ้นเลียวดูมทาลาย ครอบครัวนั้นถูกทำลายอันในปัจจุบันนี่ในรูปแบบในปัจจุบันเนี่ยคุมกำเนิดตอนแรกในคุมเกินทำไมไม่พร้อมเงินเดือนไม่พอสรีระรักษาทรงของสรีร ะ, ะจะได้ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกงานเยอ ะ, อะสังคมตรงอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีลูกพอพร้อมแล้วอะขอมีลูกอะมีลูกไม่ได้ ครอบครัวนี่ถูกทำลายไหมถูกทำลาย เ, ยเสียใจต้นลอดชีวิตว่าตอนแต่งงานแรกๆเนี่ยไม่ยอมมีลูกทั้งที่มีลูกได้ท้องแล้วบางทีเนี่ยท้องแล้วแล้วก็ให้แทงให้แทงทําไมอะ่ะยังเป็นดารายังมีงานเยอะความดังถ้าจะมีลูกเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่ไหวจะเลี้ยงลูกสแสดงว่าหนังนุ่นก็รับไม่ได้ละคร น, นี่ก็ทําไม่ได้รดุ่ แทงแทงนี่ก็เป็นการฆ่าลูกไม่ใช่หรอทุกศาสนาเดิมนี่ก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องแทงเป็นการฆ่าอนีกแทงกันวาเลนน่งลิอร์ดูหุมจะได้ทำลายพวกเขาสองวาเลนบิสูอัลัย์หิมดีนัม และเพื่อที่จะให้สับสนแก่พวกเขาซึ่งศาสนาของพวกเขาให้สับสนเรื่องศาสนาคือชชยตอนเนี่ยจะมาทำให้สวยงามซึ่งเหตุผลต่างๆในการทำความผิดผลที่ได้มานี่คืออะไรสับสนเรื่องศาสนานี่สับสนคำสั่งสอนของพระเจ้านี่ห้ามทำอย่างงาู้นห้ามทำอย่างนี้เนี่ยแต่ชชยตอนนี่มาสร้างความสับสนเฮ้ย ใช่เหรอแล้วมันดีเหรอแบบนี้เนี่ยมันไม่เห็นจะดีเลยที่ Allah สั่งไว้เนี่ยมันดีได้ไงอะ่ะดอกเบีย้ยนี่เขาใช้กันทั่วประเทศ ท, ทั่วโลกถ้าเราไม่ใช้ดอกเบีย้ยนี่เศรษฐกิจไม่จเจริญแน่นอนสับสนจนสุดท้ายนี่มีมุสลิมที่ออกมาพูดว่า<ม>นี่คุร์อานที่ห้ามกินดอกเบีย้ยนนี่เรื่องจริงแต่ในยุคนั้น คือเขามองกุตตานนี่เหมือนกระป๋องตูน่า<ๆ>กระป๋องอปลาตูน่านะหมดอายุแหละเออหมดหมดเลยแล้วก็ทิ้งไปเลยเออทิ้งไปเลยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เป็นของที่ระลึกอะ่ะเชคคาร์ลอสก็เคยว่าพวกนี้เนะไอ้ที่พวกที่บอกว่าคุตตานนี่อันนี่ใช้ได้เขาเข้าใจว่าคุตตานนี่เป็นพิทยธภัณฑ์น่ร เออเก็บไว้โชว์นี่ไว้ดูไว้ดูเหรอคุณอ่านนี่เราบันทังไว้ใช้ไว้เชื่อไว้ใช้ไม่ใช่เก็บไว้ไม่ได้โชว์นี่มันของโบราณของเก่ามาเก็บสะสมไว้นี่ไม่ใช่สับสนดิเ <c oughs> หมูในตะกรอนนู้นนี่ยทึ่งศาสนานี่ห้ามกินนะเพราะอะไรหมูมสกรปกหมูป่าหนระืหมูที่เลี้ยงเนี่ยมันกินขยะมันสกรกมาแต่หมูเดีวนี้เนี่ยสะอาด อร์แกนิหมูหมอกิกหมูนีมันสะอาดนกินอาหรสะอาดกว่ามนุษย์อีกจริงเนื้ออร์กนิกี่มีนะหมูเขาเรียกอะไรนะอะไรหมูอนาไมาอะไรสักอย่างฮะปลอดสารไม่ใช่นี่แหละอนาไมัยม า, ยมา น, นว่าเขาเขาเข า, เขาเลี้ยงเลี้ยงอย่างดีเป็นเนื้อหมูที่มีคุณภาพ ก็เป็นเหตุผลทำให้มุสลิมบางคนเนี่ยก็เริ่มเชื่อแบบเนี้ย ท, ทั้งที่เรื่องห้ามหมูนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหม <c oughs> เ, รเรื่องห้ามกินเหล้าห้ามดื่มเหล้า <c oughs> เช่นเดียวกัน <c oughs> ที่ห้ามกินเนี่ย <c oughs> พราะเมาใช่ไหม ใช่ไหมขาดสติใช่ไหมอละไแล้วจะกินแล้วไม่เมาละ่ละแจก็มาแจกงมาประสมความสำเร็จด้วยและไม่ดิ่เราคนธรรมดานะก็มีถึงขั้นด่ปราดอุลามามีทัศน์าแบบเนี้ยสุราบางชนิดนะนะถ้ากินเยอะแล้วไม่เมาอันนั้นสุราเนี่ยไม่บาป เขาไม่ได้การสุรานะก็นำ้นำหมักน้ำหมักว่เรียนวิศวะซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องบริโภคเรื่องอาหารอย่างเดียวเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องอากขีดะเรื่องความเชือ่อสร้างความสับสนด้วยเหตุผลต่างๆส่วนมากกันในเะชตตอนนึงก็ใช้ใช้ตอนนี่นะผมนึงเชตตอนเนี่ยมันคล้ายๆรายการรายการขายของตามทีวี เขาใช้ทฤษฎีอะไรปะคุยตอก่อนนุ่นตอนตอน้ตอนทำไว้แรกๆกันนะพวกที่ขายของเนี่ยเขาจะมาขอซื้อเวลาเนี่ยวันหนึ่งนี่นะเขาจะจ่ายเลยนะสามแสนต่อเดือนคือถ้าเราได้สักสองสามสินค้านี่มาขายในไว้เนี่ยสินค้าละสามแสนนะไว้อยู่ได้เลยเขาบอกว่าขอสามชั่วโมงต่อวัน สมชั่วโมงต่อวันช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็ช่วงดึกชั่วโมงหนึ่งทําอะไรชั่วโมงหนึ่งคุยคุยคุยเรื่อยๆมันก็ไปนั่งฟังดูตัวอย่างกันนะเออคือคุยเรื่อยๆมันดีอย่างนี้คนนั่นกินแล้วดีขึ้นคนนั่นกินแล้วหายหายหายจริงอะหายไปในกูโบเลยเนี่ยพูดไม่หมดคนนั่นกินแล้วก็โอ้ยไหนดูดีกะอะไรไง กินกกินแล้วเป็นยังไงโอ๊ยแต่ก่อนนู่นนะฉันไปนู่นไปนี่นะไม่หายเลยพกินนี้นหายพูดเรื่อยเรื่อยชตตอนก็อย่างงี้แหละพูดกระซิบเรื่อยวันแรกอะนะเชตตอนมากระิอาซุบิไลมันนี่ชุดนรกจมฮะเชตตอนน่นเกลัวกกลัวกกลัวกลัวก็มันก็หนีไปอะนะอีกวันนึงก็มาอีก กระซิบอีกที่สเดือนที่สปีที่5จนกว่าจะประสบความสาเร็จคุยเรื่อยเรื่อยเรื่อยและนี่แหละคือเนื้อเยนะเตจีนอับดุลไกร์พูดถึงเรื่องนี้แหละอีดมากในหนังสืออิกราสตุลละฟานอานมกอยิดิชัยตันพูดถึงเรื่องอุบายชัยตอนโดยเฉพาะเลยอัตนเรื่องประดับประดาทําให้สวยงาม คืออะไรอะ่ะเหตุผลอะไรที่มันน่าเกลียดดูดีอะไรที่มัน น, ม น, น่าตำหนะิดูน่ายกย่องสังสนเสริญอันนี้คือคือวิธีของเชตตอนนะเครื่องมือก็คือพูดคุยไปเรื่อยวันนี้อาจจะไม่เชื่อวันหน้านี่อาจจะอาจจะลดลดทิฐิต่อความเชื่ออะไรบางประการ ซึ่งเครื่องมือของเชตอนี่ทั้งหมดเนี่ยที่ใช้กับมนุษย์มาโดยตลอดอ่าบางทีเนี่ยก็ใช้เหตุผลด้านศาสนาเอาเหตุผลด้านศาสนานี่มาประกอบแล้วก็บางทีพวกเชตอนนี่ก็ใช้ผู้รู้ที่หลงกับมันนี่นะเป็นเครื่องมือในการสร้างความสับสนวเวีวยนบิสวุวรรอะไรยิมดีเน่าสร้างความสับสนเอ่อจึง บางทีเนี่ยจึงรู้สึกว่าอุลามาบางคนนี่นะก็ไม่ต่างอะไรกับเชตตอนถึงขั้นเี่ฟังอุลามาบางคนเนี่ยที่ประดับประดาเหตุผลให้ทําบาปนะเพราะว่าไอเชตตอนนี่ถ้ามันแปลงร่างเป็นมนุษย์เนี่ยมันคงไม่พูดเก่งกว่าคนนี้นะถ้าเชตตอนนี่มันมาพูดแทนคนนี้คงพูดไม่เก่งมากกว่าคนนี้ทุจริตเลยอะล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าเชื่อ เรื่องแล้วกันตั้งใจว่าจะพูดเรงอัลบียนนะแต่อันนี้เดี๋ยวอันนี้คงคงออกหลังอัลบียนนะซาอุดีซาอุดีประกาศวันที่12บสอรบีย์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยระบีย์าอาวัลเนี่ยเป็นวันเกิดของท่านนาบับดียร์นะเป็นวันหยุด และในเหตุผลของคำสั่งนี่เพราะมันเป็นวันที่ทั่วโลกคนนี้เขาฉลองวันเกิด น, นบีอันเรื่องที่สองอันนี้ช็อกแล้วนะคนไล่ม า, า ผ, มผมลายจิงเปล่าเรื่องนี้จิงจเรื่องจริงคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเขากว่า ตุรกีนี่นะตอนยุบคลิฟาเนี่ยห่างไกลจากศาสนาห่างใช่ไหมยุบคลฟแล้วแปลกนะว่าช่วงที่ตุรกีเนี่ยยุบยุบคลาฟาเนี่ยประเทศซาอุดีเนียสถาปนาและตั้งแต่นั้นพนะประเทศซาอุดีนีก็เรื่องศาสนานี่ก็เข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วตุรกีนี่ก็แต่มาล่าสุดนี้เมื่อสิบปีตุรกีเนี่ยทุกวันนี่นะ หันกลับมาเข้าศาสนา อ, อย่างรวดเร็วมากเลยอะแล้วซาอุดีเนี่ยเมื่อสิปีนะกน็แต่ในช่วง10บเดือนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิเดือนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันที่ตุรกีเข้าใกล้ศาสนาอิสลามนะกลับมาหาศาสนาอิสลามมานะซาอุดอ่าเขาบอกว่า w, ทุกวันที่ตุรกีเนี่ยเข้าหาศาสนาอิสลามเนี่ยหนึ่งครึบ ซาอุดีเนี่ยห่างไกลออกจากสนามเนี่ยหนึ่งไมล์อันนี้เป็นคนเขาวิเคราะห์นะล่าสุดนี่นะครับไม่น่าเชื่อนะครับมกุฎราชกุมารที่ประกาศก่อตั้งเมืองนิยมเหมือนเขาเรียกนิยมนิมมาจากนิวแล้วก็เอ็มนิยมนิยม แต่ฟังชื่อหนึ่งก็จะอ้วกแล้วอ่ะนิมมคือมันนิวแล้วก็เอ็มอา่านนี่นิมมเขาบอกว่าเขาประกายวั น, นนั้นนะบอกว่าเรานี่จะกลับสู่อิสลามแนวกลางเพราตั้งแต่ปีหนึ่งพะนเะก้สาสิบะซาอุดีเนี่ยรุนแรงเราจะกลับสู่อิสลาม อาร์ตูการออกมาแต่พาดพิงแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะเขาบอกว่าอิสลามเนี่ยมีอันเดียวอิสลามเนี่ยมีอันเดียวไม่มีกลางไม่มีริมไม่มีอันเดียวแลยอให้ตะวันตกนี่มาสอนว่าอิสลามของเรานี่มีกี่ประเภททําไมเพราะไอ้ดังกลางนี่มาจากตะวันตกนี่แหละอิสลามหัวรุแรงอิสลามก่อการใดมีเอาเอาอิสลามแนวกลางแนวกลางก็คืออะไรแนวกลางนี่คืออิสลามที่ตามใจเราตามใจตะวันตก อร์ดูกานก็บอกว่าอยาให้ทวันทุกนีพเป็เคนคํนคำนดรูปแบบอิสลามให้เราอิสลามมีอันเดียว ม, มีรูปแบบเดียวอิสลามเรื่องที่สองของซาอุดีซาอุดีเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งอะนะมีตำรวจศาสนาคอยดูเรื่องศา ส, สนาในสังคมโดยเฉ่าเรื่องละหมาดถึงเวลาละหมาดนี่นะปิดร้านไปละหมาดละหมาดสาคัญที่สุด อันนี้ล่าสุดนี่ก็ประกาศแล้วว่าวิจัยแล้วเตรียมแล้วที่จะออกคำสั่งของกษัตริย์เรื่องปิดด้านตอนละหมาดนี่ก็จะยกเลิกแล้วทำไมผมอ่านเหตุผลนี่นะน่าจะเป็นอุลมามะผู้รู้ที่ร่างเหตุผลนะเขาบอกว่าเนไม่มีหลักฐานไม่ธรรมดานี่เนี่ยนี่ไม่ใช่ น, นี่ไม่ใช่นักกฎหมายทวไปเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานในคุรอา่านในฮะดีซวยบิด้าน อ้าแล้วก็ที่อับบาคุวันศุกร์เนี่ยอ إ, ا, و و إ, ذا إ ذا ي ي ذ, ذ ا إذا نودي ل ل ص า ا ة يوم الجمعة فسعى إلى ذكر الله يواظر البيع ت ع ลّ ل ونه ريب رماد و إذا ر ُ ب ะ أَلَكَ تِينَ كَانْ صُكَانَ เขาบอกว่าใช่เฉพาะวันศุกร์อย่างเดียวแต่วันอื่นไม่มีหลักฐานเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้อันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วใครบอกล่ะว่าสมัยท่านนบีในมีนเอามาหลักฐานนี่ว่าเออท่านนบีสั่งให้ปิดร้านไม่มีและใครบอกต่ะว่า ละหมาดนี่ต้องไปละหมาที่มัสิดก็ละหมาที่บ้านก็ได้ละหมาที่ตลาดก็ได้มันแค่ต่างกันด้านอะไรกันอะไรคะแนนอะละหมาที่มัสิดยี่สิบห้าละหมาที่บ้านที่ตลาดที่ห้างที่ร้านของตัวเองอะนะก็ได้หนึ่งมันแค่แค่นั้นอะแต่มันไม่ไม่ไม่ได้บาปสาหัสไม่ได้ฮารอมออสาหัสขนาดนั้น แล้วประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมหรือประเทศมุสลิมที่เขาไม่ได้ปิดร้านนะะอิสลามก็ไม่ได้ตกต่าอิสลามก็เจริญเจริญเจริญเจริญแสดงว่าไม่ใช่การปิดร้านที่ทำให้อิสลามเจริญแสดงว่าปิดสิปิดร้านสิเยอะนะเหตุผลอะไรยะนะนี่อะไรแบบเนี้ยเขอ่านเหตุผลนี่หเอออันสุดท้ายเขบอกว่าและที่สั่งให้ปิดร้านนี่นะ ไปตรวจสอบแล้วไม่นอกจากว่าไม่มีหลักฐานในชีร์อาร์อยู่นะไม่มีคำสั่งจากกษะสันเอาและที่เ้าทำกันเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยภาลการไม่มีคำสั่งจากผู้นำสูงสุดเข้าใจหลักการเองเข้าใจเหตุผลเองแล้วก็ไปกำกับซึ่งไม่มีเหตุผลว่าจะต้องใช้คำสั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ย ตลอดการก็จะมีคำสั่งจกักรพรร์นน้ยกเลิกคํคำสั่งนี้ <c oughs> คนนี้ก็ไม่รู้น ะ, ะรประเทศซาอุดีอาระเบียนะที่เขาบอกว่าให้เปิดร้านนะขณะที่มีกฎหมายที่บังคับว่าให้ปิดร้านนะนะคนซาอุดีเยอะมากนะเยอะเยอะแม้กระทั่งหน้ามสัสยิดฮารอมนะถึงเวลาอาซาเนปิดร้านแล้วก็นั่งหน้าร้าน สูบุรีรอให้ละหมาดเสร็จแล้วถ้าไม่ปิดแล้วถ้าไม่ปิดร้านล่ะนี่ขนาดมีมีคำสั่งให้ปิดร้านให้ไปให้ไปละหมาดแล้วก็มีอะไรไปไปละหมาดไปไปไแล้วเอ้ยตามสบายใครไม่อยากจะปิดก็ไม่ต้องปิดเป็นเรื่องคุณคุณจะละหมาดไม่ละหมาดจะละหมาดที่มสัสยิดละหมาดที่ร้านในห้างเรื่องคุณสบายสบายเลยสิครับไปไี้สวัสดีอรารลเบียเดี๋ยวนี้นะครับ นี่ตกเป็นเหยื่อของชีตอนในการให้สวยงามซึ่งเหตุผลในความผิดต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นจะสร้างเมืองท่องเที่ยวคาถามแรกเลยพอเขาประกาศจะสร้างเมืองท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดในโลกคือเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ใหญ่ที่สุดในโลกเมืองเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในโลกสภาอะไรก็ยาวที่สุดในโลกอะไรก็แตย่ยังไม่ได้ทาอะไรสักอย่างนึงนะ เมื อ, องต้องเที่ยวอย่างที่สุดในโลกคําถามแรกเลยที่นักนักข่าวเขาถามเออแล้วจะมีบิกินี่ไหมไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบนังสือก็เลยไปก็เลยไปบอกเอมืองท่องเที่ยวที่ไประเทศซาอุดิอราระเบียที่สามารถใส่บิกินี่ได้ก็มีนักวิชาการถามผมเจ้าหนี้ทําได้ไงบอกว่า บิกกีนี่ต้องตามหลักการศาสนาครั บ, บาอาจารยอคือทุกอย่างที่เชตตอนเนี่ยต้องการให้มันผ่านสองกระบวนการกระบวนการอำนาจผดีดการกระบวนการเหตุผลด้านศาสนาที่ถูกบิดเบือนนะ่ะนะอันนั้มันก็จะผ่านสั่งอำ น, นาจรู้คนสั่ง ศา ส, สนาไม่เอาผู้รู้ไม่เอานี่ก็ทำเพาอำนาจหรือเหตุผลนัานศาสนาที่ถูกบิยดเบือนมีผิดผิดตรงไหนทำไมมีลหลักฐานด้วยนะทำไปเลยซึ่งบางทีมันก็มีความชัดเจนประเด็นก่อนหน้านี้ในซาอุดีก็คือเรื่องผู้หญิงขับใช่ไหคือตลอดตั้งแต่ตั้งแต่รถยนต์เข้าไปในซาอุดีอาระเบียนะออกฟะตวาว่าห้ามผู้หญิงขับ และจะสิบปีมาด้วยตลอดนี่นะครับยืนยันพระรามพระรามพระรา ม, รามวันเดียวนะครับพอกษัตริย์ออกคำสั่งอนุญาตให้พระตัวนี้พิกเลยพิกเลยกลย็ใช่สิเพราะมันไม่มีหลัฐานไงมันก็ขึ้นอยู่ที่ผู้นำเขามองพิกเลยแล้วคนเดียวกันนะนะมีคนก็เอาคิา ก, ก่อนหน้า น, นี้ก่อนคาสั่งเนี่ยง่า ค น, นขับนี่มาร้ามเอะพอกริยัดสั่งนี่ก็ใช่ดีเขเป็นเหมนวันเดียวเปลี่ยนเลยนั่นหมายรวมว่าหลักการศาสนาที่จะทำให้ผู้ศรัทธาเห็นได้ยินหยัดหากชัยตอนประสบความสำเร็จในการทำให้สวยงามถ้าผู้รู้สามารถหลงได้แล้วคนทั่วไปเนี่ยจะเป็นยังไง ในมองผมนี่นะไม่มีอะไรที่ร้ายแรงในผลสำริดของเชตตอนเนี่ยร้ายแรงกว่าเลียนบิสวาไลหิมดีนะโฮมเพื่อจะได้ให้สับสนแก่พวกเขาซึ่งศาสนานี่ร้ายแรงที่สุดสับสนเรื่องศาสนาคนเราทําความผิดและไม่รู้ว่าทําความผิด ไม่เท่ากับทำความผิดแล้วเอาเหตุผลจากศาสนามาอ้างว่าไม่ได้ผิดสับสนมากเลยสับสนเป็นอัม m a n ของผู้รู้และผู้นำสังคมว่าอะไรที่ทำให้สังคมนี่ม เกิดความสงสัยต่อหลักการศาสนานี่ยเขาต้องหลีกเลี่ยงนะนบีก็สอนอะไรบ้างนบีตอบอะไัดดิถินแนษบีมายาริฟูนพูดอะไรก็พูดให้คนที่คนที่เขารับได้คนนี้เข้าใจอัตูรีดูนอันยูกะดะบัลลอฮฺอยากจะให้คนปฏิเสธศาสนาเนาะปฏิเสธอัลลอฮ์และปฏิเสธรษูเลยใช่นีิพอไปพูดอะไรแล้วก็เขามึนน่ะรับมึนเฮ้ยนี่ศาสนาใช้ไม่ได้ดิ คือแทนที่จะเข้าใจค่อยๆเข้าใจอะนะไม่คือบางคนเนี่ยถ้าสับสนแล้วนะก็คือปฏิเสธไปเลยไม่เอาเลยช้วเราก็ต้องระมัดระวังอะไรบางอย่างอย่าไปสร้างอย่าไปสร้างปัญหาอย่าไปสร้างเรื่องอความขัดแย้งระหว่างนักวิชาการทำให้ชาวบ้านบางคนที่รับไม่ได้อนนะนะก็นี่แหละปัญหาทุกปัญหานี่ก็มาจากนักวิชาการนี่เคยได้ยินไห ปัญหาในสังคมนี้ก็มาจากนักกุชาการนี่แหละเพราะอะไรเพราะนักกุชาการ อ, อ, อะไรนี่ก็สร้างปัญหากันแต่สร้างความขัดแย้งกันแต่ที่จริงเนี่ยถ้านักวิชาการเนี่ยนำเสนอเรื่องราวของศาสนาเนี่ยให้ดูมีเหตุมีผลในเรื่องความขัดแยง้งอย่าให้มองว่าความขัดแย้งนี่มันกลายเป็นมันกลายเป็นความเป็นสตรู ล่าสุดนี่ประกาศมีบรรยายนะข้อบรรยายนะคือข้อสัญหานะข้อบรรยายนถอดรหัสหะดีสถูกได้สองผิดได้หนึ่งถอดอะไรนะรู้จักหะดีสไหมหะดีสผู้ใดทีด่วินิจฉัย ผู้รู้เนี่วินิัยถ้าถูกต้องก็ได้ผลบุญสองเท่าถ้าผิดนี่ได้ได้หนึ่งเท่าถอดรหัสฮะดีษถูกได้สองผิดได้หนึ่งแค่ฟังหัวข้อนี่นะผมว่ามันดูถูกนบีไหมคือนบีพูดอะไรแล้วก็ใส่รหัสไว้เหรอ แล้วก็ต้องรอให้ผ่านพันสี่ร้อปีเนี่ยให้มีโต๊ะครูพวกนี้เนี่ยสรรหาหัวข้อมานี่จะได้แกะรหัสเพราะอุลามาพัน0ี่รอปีเนี่ยคงไม่เข้าใจและอธิบายไม่ถูกกันนะแล้วก็โลกนี้ก็ต้องรอที่เขาจะมาถอดรหัสนี่จะได้เข้าใจฮะดีษหรือว่าจะให้เข้าใจว่าฮะดีซุกอันเนี่ยมันจะมีรหัสนะแล้วเราต้องถอดรหัสหรือว่านาบีพูด ให้คนคุรานีอัลลอฮ์พูดให้ทุกคนเข้าใจเข้าใจง่าย ولقد يسرنا ا ق สำนวนานีกับฮะดีสนะอัลลอฮ์ว่ากูอัลุรานีย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ยลย์ย์ย์ย์า์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ยมย์ย์ย์ย์ย่ย์ย์ย์ร์ย์ย์ย์ย์ย์้์ย์ย์ย์ย์่์ย์ยยย ฉันก็ไม่รู้รหัสสิโทรไม่ติดใช่ไหมไม่รู้รหัสนะคีย์เวิร์ดอนะ่ะผาสว่วนใช่ไหมเข้าไม่ได้อะ่ะเข้าถึงฮัดิสไม่ได้อะ่ะทอรรหัสไม่ได้อะ่ะแบบนี้หัวข้อแบบเนี้ยที่ทําไม่สังคมนี่มองว่าเรื่องศาสนานี่เป็นเรื่องอยากยุ่งยากเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไม่ใชทุกคนที่สามารถเข้าถึง แล้วศาสนาเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรคล้ายๆอะไรศาสนาที่ต้องต้องมีต้องมียามเฝ้าใครอยากจะเข้าใจเนี่ยต้องผ่านชั้นก่อนเอาแล้วฉันจะเข้าใจทางอาจารย์คนนู้นได้ปุ๊บถ้านคนนู้นก็บิดเบือนต้องต้องต้องมาเข้าใจที่ฉันก่อนว่าละชาอฺลลอฮฺมะฟะลูฟะดารฺฮฺมะมายฟตารุนลม้ว่าอัลลอฮฺประสงค์แล้ว พวกเขาย่อมไม่กระทํา ม, มันไม่กระทํา ม, มาฝากลูกอ่าในผิดนะผิดนะสีแดงนี่เออเจ้าจงไม่กระทํา ม, มันอ่าแล้วก็หยุดว่าเราเชื่อล l l a h มาฝากลูและแม้ว่า Allah ประสงค์แล้วพวกเขาย่อมไม่กระทํา ม, มัน หมายถึงว่าความประสงค์ของอัลลอฮ์สุภาโนวาดาระความประสงค์ตรงนี้นี่หมายถึงว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่อยากจะให้เขาทํามันนะเขาเรียกว่าอิรัดะกัดารียะถ้าอัลลอฮ์จะห้ามไม่ใครทำมันอัลลอฮ์มีอำนาจแต่นี่อัลลอฮ์ห้ามอิรัดะชัรรัยยะห้ามด้านศาสนาด้านศาสนากับด้านอํานาจจัดการของโลกจักรวาลนี้เนี่ยคนละอันกัน อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้กินเหล้าและอัลลอฮ์ไม่อยากให้เรากินเหล้าแต่ทําไมคนคนเขากินเหล้าได้อะเพราะเขาอยากกินเหล้าละอัลลอฮ์เมื่อเขาอยากกินเหล้าแล้วนี่แล้วก็อากจะกินเหล้าก็เชิญต้องมีความประสงค์จากอัลลอฮ์ที่จะอนุญาตให้เขากินไม่งั้นเขากินไม่ได้แต่เขาอยากจะกินแล้วอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้กินนั่นก็กินไม่ได้มามันสองอันนะ ถ้า Allah อยากจะให้เขาเนี่ยไม่คิดแบบนี้ไม่บิดเบือนไม่ทำให้สวยงามซึ่งการค่าลูกๆอะนะ Allah จะไม่ทขาก็จะไม่ทำแต่ทำไมเ็าทำ Allah ห้ามด้านศาสนาแล้วเขาพิจารณาแล้วว่าอยากจะทำจะทำก็เชิญทำในเมื่อมันเป็นข้อตัดสินใจของพวกเขาเหล่านั้นคือมชิริกิน หรือคนที่ยอมค่อยตามชูรกาอุ้มค่อยตามเชตอนหรือจเจวิตนี่นะฟ้ารุฮุมโมแมฟตารุนเจ้าเจ้าสิเดเจ้ า, จ, า, จ, า, จ, าจงปล่อยพวกเขาจะรุมและสิ่งที่พวกเขาอุ ป, ปโลกความเท็จกันเถะิะเจ้าอย่าไปเสียเวลากับเขาเจ้าอย่าไปใช้เวลาในการที่จะในการที่จะชี้แจงเพราะมันค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะเจ้าได้ทําหน้าที่แล้ว เขาอย่าไปเสียเวลาในการที่จะโต้ข้ออ้างของเชตอนในการบิดเบือนให้สับสนซึ่งเรื่องราวของศาสนาจะรู้ไหมนี่เป็นอายะเนอายะในคุรานี่ที่อัลลอ์บอกให้ท่านนบีสุลต่านปล่อยเขาปล่อยเขามันมีเหตุผลถ้าเราได้ทำหน้าที่แต่ถ้าหากว่ายังไม่ทำหน้าที่อั น, นไม่ไ ม, ม, ม, ม, ม, มีในคุรานเช่นฟะดกร บบอินน فعات الذكرة سور ุษ سبح. ฟัด ذكر จงเตือนอินน فعات الذكرة ถ้าการตักเตือนมีประโยชน์ความหมายแล้วถ้าไม่มีประโยชน์ล่ะไม่ต้องเตือนแล้วใครจะรู้ล่ะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์คือมีอุลมามะเขาบอกว่าถ้าไม่มีประโยชน์แล้วเราไม่ต้องเตือนเลยตั้งแต่แรกเลยอุลมามะสนว่ากว่ไม่ใช่ ความหมาย อ, อาย่านี่นะหนึ่งเตือนถ้ามีถ้ามีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์จะรู้ยังไงต้องเตือนก่อนพอเตือนแล้วแล้วเขาไม่รับจึงรู้ว่าไม่มีประโยชน์ไม่ต้องเตือนอีกแล้วอไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เตือนเลยนะสรุปแล้วไปเตือนเขาดิไม่มีประโยชน์หรอกแล้วรู้ยังไงรู้ยังไงเราอยู่สรุปไปแล้วต้องเตือนก่อนพอเตือนแล้ว เขาไม่เอาเตืเอนอีกไม่เอาอาสิงนี้แสดงว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องเตือนนี่คือความหมายของอายะหรือฟต่ถ้าิดอินอินเนี่ยในภาษาเรามีสองความหมายอินหากมีประโยชน์อินไปว่าอินไปว่าแน่นอนไม่ใช่หากนะแต่ถ้ า, าิดจงเตือนอินแน่นอนนฝ่าอดีตดีกระแน่นอนการตักเตือนมีประโยชน์ ไม่ใช่หากแล้วนะความหมายส่วนมากที่เราที่เราได้เรียนรู้กันน่ะนะเนื่องจากว่าตัวอินเนี่ยก็คือชตยะแปว่าหากแปลว่าหากจงตักเตือนหากมีประโยชน์าไม่ใช่จงตักเตือนแน่นอนการตักเตือนมีประโยชน์ฟะซักคิร์เขาบอกว่าอินบีมานะกัดฟะซักคิรกัดนฟ ع ا ت الذكرة ซึ่งดุลลพินิจของ คนที่ดาว่าคนที่เตือนคนอื่นนี่นะอะไรนี่เป็นเรื่องระหว่างเรากันเหรอเตือนลูกลูกทำอย่างก็อย่างนี้ลูกไม่เอาแม่ก็บอกพ่อไปเตือนลูกหนึ่มันไม่เอาเตือนไปครั้งเดียวดุลพินิษ์ของพ่อในการที่จะตัดสินใจไม่เตือนลูกถ้าเตือนไปแล้วครั้งเดียวอะนะ อาจจะมีเหตุผลอาจจะมีเหตุผลเราจะเรื่องไงอะ่ะไปวันเกียร์มาไปตอบตุวหันโอ้เราฉันเตือนลูกฉันครั้งครั้งเดียวแล้วฉันตัดสินใจว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่เตือนอีกล้วลละเลาส่งรู้เออมันมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือตัวเองขี้เกียจฮะหรือหรือตัวเองกลัวว่าจะเตือนลูกแล้วก็ลูกสวนเมียกเมียกเสียฟอร์ออทําอะไรก็ทำทำไป อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเรื่องดุลพินิษในการที่จะทำหน้าที่นี่นะเราควรที่จะเตรียมคำตอบต่อล l l a h อย่างอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบให้ตัวเองนะไม่ใช่คำตอบให้คนนะเฮ้ยดาว่าเขาสิมีอวรันะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการดาว่าอิสลามเผยแผ่อิสลามนะพวกเราทุกคนทุกคนนะเราต้องมีคำตอบต่อล l l เรามีส่วนร่วมในการดาวะผู้อื่นหรือเปล่าผู้อื่นนี่ผู้อื่นต่างศาสนิกหรือมุสลิมหรือใครก็ตามคนใกล้ตัวคนไกลตัวทั้งหมดเราต้องมีคําตอบดาวะด้วยตัวเองดาวะด้วยคนอื่นดาวะด้วยเครื่องมือดาวะด้วยหนังสือด้วยซีดีโดยแผ่ได้ายดาวะดยด้วยคำพูดวาจาด้วยเอกสารขอให้มีคําตอบในวันกียร์มาเนี่ย ฮะว่าเราเนี่ยได้ทําหน้าที่เผยแพผ่และก็นำสัจธรรมของพระสุภาราชมาบอกเขาเพราะบทบาทนี้แหละทุกคนได้ทำ嘛นะอิทธิพลของเชตรตอนที่ผู้ตอนต้นนะตอนตั้งแต่แรกเนี่ยที่เชตรตอนได้ทําไม่สวยงามอ่ะที่ตอนทําให้หลอกลวงอะทําให้ดูดีมันไม่ดีดูไม่ดีมันดีนี่นะทั้งหมดนี่นะถ้าทุกคนทําหน้าที่และก็เตือนแล้วก็บอกกันนะอิทธิพลของชตรตอนเนี่ยมันจะลดลง คนเราเนี่มีเชตตอนตัวเดียวอะนะที่คอยกระซิบมานะแต่ถ้ามีเพื่อนหลายคนช่วยเตือนกันนะใครชนะล่ะมีเพื่อนสักสีห้าคนคอยเตือนแล้เชตตอนคนเดียวในการลังกระซิบฮะแน่นอนคนดีเนี่ยหคนนี้ต้องชนะแค่ด้วยจํานวนอย่างเดียวนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสง่างามของเสด็จธรรมนะแต่นี่เชตตอนกระซิบอยู่คนเดียวแล้วก็เพื่อนน่ะเฮ้ยแกจะเลี้ยงเบาเตือนได้แค่นี้ เฮ้ยไหนว่าจะไปเล่นไพ่ด้วยกันทําด้แค่นี้แต่ไม่ถึงเวลาละหมาดเฮ้ยไม่เตือนเป็นละหมาดด้วยกันเฮ้ยเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์เรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่นักูไม่ยุ่งเลยครับคงฝากแค่นี้นะครับบรสุลลอฮฺอลมฮัมมดลลิลมซลามอะลกุม